ทิแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสมาอาภาคมไฟใสสว่างสว่างเสมอด้วยปัญญา ทั้งสองแสงแรงไกลไปผลโลก 2 แสงแรงไกลไปพลโลกศิวโมก ไม่แจ่มแจ้งแหล่งโลกโกรกคูหา ขอความผาสุกความสวัสดิ์ดีความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาท่าน พอเดี๋ยวก็ออกพรรษาและเดี๋ยว 365 วันนี่ก็ผ่านมาหลายเดือนแล้วก็ เรเราก็จะได้รู้เลยว่าวันเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละ ญาติโยมก็ตายเป็นพระไม่ธรรมดานะธรรมดา ข้างหนึ่งสว่างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบหรี่พญายักษ์ตนนี้มีปากอยู่ 12 ปากมีฟันไม่มาก เวลาการเวลามาถึงเข้าบางทีเราไม่มีโอกาสได้สร้างความ นึกถึงกลัวความตายวันหนึ่งนึกถึง 2 ครั้งก่อนนอนตื่น 6 ชั่วโมงนึกถึงความ 1 นึกถึงความตายครั้งหนึ่งนี่ ประมาทน้อยกว่าบุคคลที่กล่าวมาเคี้ยว ความไม่ตายนั่นแหละนะเค้าเรียกว่าเป็นอัปปมาทธรรมหรอกแต่เมื่อ ชื่อว่าเป็นคนไม่ตายคนนึกถึง อายุสังขารของคนนั้นร่วงโรยไปตาม ได้บอกว่าคนเพิ่งเข้าวัดๆแต่รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยปัญญานั่นน่ะคนๆนั้นชื่อว่าเป็นคนไม่ประมาทดีกว่าคนเข้าวัดเป็น 10 ปี 20 ปีคือเข้าวัดแล้วมัน เราไปดูแต่ถ้าเราไปครบคนมีปัญญาหมอดูดูเลขดูยาม คนผ่านก็พลอยเป็นพาลไปกับเขาด้วยเพราะคนพาลมีปกติ แล้วสภาพจิตใจเราก็ต้องเปลี่ยนสภาพเป็นคนดีพระพุทธองค์ตรัสไว้คงหนึ่งไม่เป็น 2 ยังเวเสวติตาติโสครบคนเช่นใดย่อม โยมเปิดเครื่องรับฟังยกชิน ในยามที่พุทธศาสนิกชนเข้าไปก็ไม่มีนะเนี่ยมันก็เป็นความ ก็ไม่ค่อยมีอันนี้เรื่องจริงเป็น มันก็เกิดขึ้นในที่จิตใจ 2 สหายเนี่ยเค้าเรียกทเวสหายกะภิกขุ 2 สหายนี้พระพุทธเจ้าสมัยนั้นประทับ พระพุทธเจ้ารูปจึงได้ตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องความ แนวป่าป่าภิกษุ 2 รูปนั้นรูปหนึ่งๆอีกรูป ปฏิบัติอยู่จึงเตือนภิกษุรูปนี้ว่าท่านครับท่านอย่า ไม่อาจที่จะให้ทรงโปรดปรานได้ภิกษุผู้ประมาทท่านก็ไม่ฟังแล้วท่านได้ปฏิบัติธรรมธรรมสมณะธรรม นั่งผิงไฟในปฐมยามแล้วในเวลาภิกษุรูปนั้นเดินจงกรมแล้วก็เข้าไปสู่ห้องจึง ไปพูดให้ภิกษุผู้มีความเพียรดังพร้อมด้วย มีอรรถปฏิสัมภิทาแตกฉานในอรรถเนื้อความหมายธรรมปฏิสัมภิทาแตกฉานในเรื่องของพระธรรม มีปฏิพันไหวพริบแตกฉานนี่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์ผู้กล้าแกร่งในหลักธรรมคําสอนส่วนภิกษุผู้รูปเกียดข้านนั้น ภิกษุ 2 รูปนั้นออกพรรษาหรือ กิเลสแห่งบัญชิตที่พวกเธอให้สิ้นไปแล้วหรือเป็นผู้ทํากิเลสให้หมดแล้ว พูดก่อนน่ะคนพูดก่อนน่ะมันมีมี ถึงนี่แหละลักไคลลุงแล้วจึงไปนอนนี่แหละพระบรมศาสดาและ ม้าผมม้าแก่ม้าทุรพลขาไม่ดีม้าขาเป๋อย่างเนี้ยม้า เมื่อชนทั้งหลายประมาทแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อชนทั้งหลายหลับแล้วตื่นอยู่โดยมากทั้งหลายประมาทแล้ว ผู้ตั้งท่านก็ได้รับความเบาใจในความประมาทสังเวชใจภิกษุผู้เป็น แต่คนฟังแล้วถูกใจน่ะมันลุทํา โตเนี่ยหมายเอาความไม่ประมาทไม่ประมาทคือ นี่ถึงจะขยายความว่าได้แก่การ ทุกอิริยาบถทีเดียวน่ะสุตเตแนวแปลว่าหลับในสัตว์ผู้หลับแล้วนะเพราะไม่มีธรรมเป็นตื่นคือสติคนไม่มีสตินี่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคนหลับนะญาติโยมห้วงน้ําคือกิเลสย่อมทับสัตว์ท่วมทับสัตว์ผู้หลับอยู่นี่ คือความไพบูลย์แห่งสติเป็นอันมากโอ้เรามาดูเนี่ยมีแต่เรื่องสติ มีเช่าขาดแล้วโดยความนี่เป็นม้าขา สุเมธะแปลว่าๆด้วยมรรค มรรคบรรลุผลท่านอธิบายว่าเมื่อคนมีปัญญาทึบพยายาม เรียนแม้ในการเป็นส่วนเบื้องต้นสาธยายกรรมฐานพิจารณากรรมฐานอยู่นั่นแหละแม้ ผู้มีปัญญาดีอย่าง เห็นเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์สรุปแล้วเรา คือคนเป็นอยู่ด้วยความไม่ปราศจากสติคนเป็นอยู่มีชีวิตเป็นอยู่ด้วยการ และท่านกล่าวไว้ในหมวด 3 แห่ง ความเป็นผู้มีวรรณะความเป็นผู้มีรูปสวยเป็นต้นความปรารถนานั้นจัด แล้วก็จบศีลจบทานยกมือท่วม ทุกขาชาติปุนปุนังธรรมว่าปรารถนาขันธ์ปรารถนาการเกิดแม้จะปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติมันก็เป็นตัวทุกข์ปรารถนา แต่ว่าเมื่อคนไปเกิดแล้วนั่นคือคือยินดีในภพภูมิยิน ปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าปรารถนาความ อืมเราก็น่าคิดเพราะว่าพระอริยะ สัตตกะตุปรมะเกิดได้สูงสุดก็ไม่เกิน 7 ชาติ ท่านจึงปรารถนาการพ้นทุกข์แต่ถ้าวิสัยของปุถุชนขาด นอนกินอาจมอยู่ในฐานในส้วมไม่เห็นโทษในกองอาจมคนอยู่ในโลกไม่เห็นธรรมะก็ไม่ต่างอะไรกันยินดีเพ้อเพลินในรูปในนามในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสโอ้เมื่อเหมือน ทเวสหายกะภิกขุภิกษุ 2 รูปรูปหนึ่งเรียนกรรมฐานจากสำนักของ นั่นจึงว่าเป็นคนประมาทคนประมาทเนี่ยพระพุทธเจ้าประณามว่าเหมือนคนตายแล้วตายแล้วก็จิตปฏิบัติ จะเป็นก่อนหลับก่อนนอนสมาธิหรือแนววิปัสสนาฝึกไว้จิตใจมัน แต่เวลาเราจะปฏิบัติเราก็ต้องเข้าใจ เป็นสมาธิขณะหนึ่งทําความรู้สึกอีกขณะหนึ่งสติที่ระลึกบ่อย สมาธิเป็นชื่อของความสงบทางด้านจิตใจไม่ได้หมายถึง ปัญญามันจะเกิดเนี่ยก็ต้องอาศัยความเพียรความพยายามถ้าความเพียรความพยายามเราไม่พร้อมการ แต่ว่าการปฏิบัติธรรมน่ะข้อสําคัญว่าให้มีสตินะจะทํายังไงก็ คนเจริญวิปัสสนาเนี่ยจิตใจมันจะมั่นคงด้วยนะไม่ ถ้าเรายืนเดินนั่งนอนเป็นเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนอันนั้นเรียกว่ายืน เหลียวซ้ายก็รู้เหลียวขวาก็รู้รู้ยังไงรู้ว่าขณะเก่าหมดไปขณะโอ้รูปังอนิจจังเนี่ยรูปไม่ เหลียวซ้ายเหลียวขวาไม่ได้เรา <granny> <critically> จิตใจมันพล่านอยากจะได้ใจเลยทิ้งจากกรรมฐานนี่เป็นนิพพานแปลว่ากั้นจิตเมื่อจิตคิดถึงแฟน อยากฟังเสียงประพ้อๆอ้าวก็ทุกข์ใจอีกแล้วเราไม่ได้ฟังเสียงอยากฟังๆอย่างเนี้ยปากถูกลิ้นนั่น อยากสัมผัสเย็นร้อนอ่อน พิจารณาร่างกายของเราปากปากของเราเนี่ยเห็นปากคนสวยปากคนสวยจริงๆแล้วมันนึกดูปากเราโอ้ถ้าเกิดว่าจิตออกจากร่างเมื่อใดหนังหรือเนื้อริมฝีปากปิดฟันอยู่เนี่ยมันเปื่อยยุ่ยหลุดออก ฟันหลุดมาทีละซี่ 2 ซี่หลุดหุ้มลูกกะตาดึงทะลกโลกออก แกกะโหลกศีรษะแยกออกมาเป็น เวลากะโลกสีสามันแตกโป่งเท่านั้นแหละโยมโอ้ไหลปุ๊บ ถ้าเราอ่อนหนังออกคนเราก็ไม่ต่างอะไรกันโยมมีสีเลือดเนื้อเป็นเครื่องฉาบทา ที่ถอดหลังคราวมีแต่กกก่อนตั้งเรียงแถวกันอยู่เหมือนกับก่อนบ้าน มีแต่ของน่าเกลียดปฏิกูลนี่ ตัวกามหม Anschánhทะ ไม่เกิดขึ้นเพราะหัตในให้รู้ด้วยหมายความเยาปโยนตร sink ขายโดยโยนนิศมันศิกับว่าร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามอาสุภาไม่เกิดเพราะหัตนี้ ก็แพรiale second that วัญจึงเวลาสุภสัญญาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็เห็นสภาวะปรากฏโดยมองเห็นร่างของน่าเกลียดปฏิกูลทุกส่วนมี ร่างกายของเรานั้นเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัตถิอิมัสสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้นะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ เมื่อเราพิจารณาเนืองๆมันก็จะไปละกามฉันทะนิโวรให้หมดไปความยินดีภิกษุ 2 สหายภิกษุรูป ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนแล้วก็พระองค์ทรงเปรียบเทียบว่า ไม่ใช่ว่าบวชพระแล้วก็ไปสวรรค์อย่างนั้นไม่แน่ใช่มั้ย <นะ. S 1> รายการธรรมะบรรยายวันนี้ก็ก็มาถึงช่วงท้ายราย และท้ายที่สุดแห่งธรรมบรรยายในวันนี้อาตมาภาพก็ ด้วยลาภยศ